ความเจริญในธรรมจึงมีได้ท่านผู้ฟังทท้านั้นแต่ลมประโพธิญาณในวันนี้คงประรภปริยาบา ร, รมีต่อไปก็กำลังนำเสนอในข้อที่เรียกว่าภาวนาประทานคือเพียรพยายามที่จะเพิ่มพูนกุศลคือความดีที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ให้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นคือโดยพยื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์เรานี่ มันมีธรรมธาตุคือธรรมธาตุนะฮะคือธาตุอยู่ภายในใจของเราโดยกันทุกคนถ้าลองวิเคราะห์ถึงธรรมะที่ท่านแสดงไว้ในที่ต่างๆถามวาเรามีสติไหมเรามีสัมมยัญญาไหมเรามีขันติไหมมีสุรจจะไหมมีหิริไหมมีอดรภาไหมมีทั้งนั้นนะะี่ยนะเพียงแต่ว่าบางกรณีมีไม่พอใช้นี่คือปัญหา ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าบางกรณีมันมีไม่พอใช้มันเหมือนอะไรอรัมันเหมือนกระเรี่ยวแรงเหมือนกับความรู้เหมือนกับเงินทองเนี่ยทุกคนมันก็มีอยู่ตามสมควรแก่ฐา น, นะแต่บางสถานการณ์แรงเราไม่พ อ, อะเช่นเราเดินเดินบนถ น, นนแล้วเกิดน้ําหลากมาอย่างแรงปัญหาว่าแรงขนาดไหนละ่ะแรงบางอย่างมันก็ทานได้นะแรงบางอย่างมันก็อาจจะโซซโซเซนิดหน่อยแต่แรงบางระดับนี่เอาไม่อยู่ ตัวนี้มันจะเกิดปัญหามันไม่ใช่ปัญหามันเกิดขึ้นตลอดแต่มันบางการณีที่มีไม่พอใช้แล้วจะเกิดปัญหาหรือบางครั้งก็เดินมาแล้วก็ลมพัดแรงเดยเห็นว่าถ้าธรรมดามันก็สบายสบา ย, บายตัวแสดงว่าเรามีแรงต้านทานลมพอถึงระดับหนึ่งมันชักจะต้านทานมากไปชักจะเอาไม่ค่อยอยู่พอถึงจุดหนึ่งลมชัดปลวได้เลยนะคนเนี้ย นั่นก็แสดงว่าตรงนั้นแรงเราไม่พออันตรายก็จะเกิดขึ้นแต่มาปฏิบัติตึงท่านสั่งสอนในรูปของการสะสมจนบางครั้งมากล่าวก็สอนให้บุคคลใช้ความพยายามไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมบุญไปเด้เลยเมื่อยากฝนนี่ตกลงมาทีละหยาดแล้วก็สามารถจะทําภาชนะที่รองรับไปเต็มได้จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน พยายามปลุกฝังความพอใจในบุญกุศลแล้วก็จเจริญกุศลไปไเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้หาปไปการเติบโตด้านจิตวิญญาณเติมโตทางด้านกายภาพและด้านจิตใจโดยเฉพาะอย่างด้านจิตใจเนี่ยจะต้องโตมากเพราะว่าตามปกติละใจมนุษย์นี่แคบเห็นแก่ตัวจัดแล้วก็มีความคับแคบ บางครั้งบางคราวนี่ยืนอยู่ในจุดที่จะเห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเองนะแต่ว่านิสัยสันดาลตัวนี้มันแก้ไม่ได้เลยมีการเล่นพักเล่นพวกเล่นทินต่างๆเล่นภาคต่างๆกันได้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือว่าวัดในพระพุทธศาสนาเราเองพัคกลางเนี่ยค่อนข้า ง, า ง, างพิสูจน์อะไรได้นะ คือภาคต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในท้องถิ่นจงนั้นเขาบวชก็อยู่กันนานจะเจอพระในภาคอื่นอยู่ในวัดในเขตภาคนั้นๆสักครั้งหนึ่งแต่ภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกรุงเทพมหานาครเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงมันเป็นที่อยู่ของพระทุกภาคและเป็นที่อยู่ของคนไทยทุกภาคมันไม่เหมือนจังหวัดรอบนอกแต่หวัดรอบนอกก็คงเป็นภาคกลาง เราเห็นว่าส่วนใหญ่ก็คือพระภาคกลางก็จะยุบกันแต่ถ้ากรุงเทพธนบุรีเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพธนบุรีมันเป็นศูนย์กลางของประเทศเป็นเมืองหลวงซึ่งก็ควรจะเป็นที่อยู่ของพระทุกๆุภาคแล้วก็วัตถุประสงค์การสร้างวัดจริงๆนะสร้างเพื่อเป็นที่พักอาศัยของสงฆ์ซึ่งมาจากจตุรสิทิ์แต่ในสุดแล้วก็กฎหมายของบ้านเมืองซึ่งอาศัยกิเลสมนุษย์เนี่ย ไปสร้างกฎหมายขึ้นมาให้สมภารเป็นเจ้าของวัดเลวัดเป็นนิติบุคคลสมภารก็เป็นเจ้าของวัดแล้วก็ให้อำนาจหน้าที่ไปเยอะเหลือเกินซึ่งนอกธรรมนอกวินัยนะอำนาจเหล่านั้นเนี่ยนอกธรรมนอกวินัยเพราะอะไรเพราะว่าในธรรมวินัยนั้นการจะลงโทษหรือการจะให้คุณใครเนี่ยมันต้องมีการประชุมสง่งแล้วก็เสนอความผิดของคนเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบในการพินิจพิจารณา ไม่มีใครสามารถให้คุณโดยคนเดียวหรือว่าให้โทษโดยคนเดียวได้นะฮะมันเป็นกระบวนการพระพุทธศาสนาที่จริงพระเจ้าวางไว้นี่บริสุทธิ์มากแต่ว่าเจอกิเลสมนุษย์เข้ามันก็ปรามัวไปเยอะเหมือนกันเนี่ยนะไวลาการต่างๆที่ดีงามเนี่ยมันเลือนหายไปจนจนรู้สึกเป็นห่วงว่าต่อไปเนี่ยมันมันจะมีรูปรักษเป็นยังไงประชาชบบนจะเข้ามาออกกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆเพิ่มปูนขึ้นมากเลย หรืตอนนี้มาถึงขณะนี้นะจริงๆก็หลายหลายเดือนแล้วนะคิดถึงว่าไม่ใช่หลายเดือนนะหลายปีแล้วคิดมาว่าถ้าเราคิดจะพื้นผูปาศาสนาให้เดินไปสู่หลักการที่ถูกต้องเนี่ยต้องยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งหมดกฎหมายยกเลิกทั้งหมดแล้วก็บังคับใช้ในกรณีที่เป็นคนคนหนึ่งส่วนในเรื่องของพระก็ให้เป็นเรื่องของพระไป กฎหมายทางบ้านเมืองไม่ต้องมายุ่งเพราะจริงๆเราถูกบังคับด้วยกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้วอนะมันไปซ้ํำซากกฎหมายขึ้นมาถ้าสมมติเราพระไปดูหมินใครมันก็มีกฎหมายอยู่แล้วทําไมจะต้องออกกฎหมายมาซ้อนกฎหมายขึ้นมาแล้วจนถึงกับบางครั้งบางคราวเนี่ยมีความคิดที่อยากจะโลดโผนอะไรแต่ไรเป็นหน่อยซึ่งก็คิดอย่างคนที่มีกิเลสคิด แต่ว่าเราไม่ควรลืมนะครับว่าพราะวินัยเนี่ยผู้ที่บรรลุสัพพัญญตยานก็นบัญญัติมันมีความถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรเลยเรานำพ า, าศาสนามาได้ถึง 2,445 ปีเนะี่ยโดยไม่มีกฎหมายเข้าไปยุ่งกฎหมายเข้าไปแทรกแซงในสมัยรัชกาลที่ห้านี้เองรศ 2,445 หรือว่ารศ121มาเข้าไปแทรกตรงนั้นแล้วก็ทำมายุ่งเนี่ย เาไม่ยุ่งมาจนถึงปัจจุบันปัญหาต่างๆมเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันกําหนดด้วยเงื่อนไขของกฎหมายแต่ว่าถ้าแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเราใช้กฎเกณฑ์ของพระนธรรมอีนไนแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่แน่นอนว่าคนเหล่านั้นจะต้องมีความละอายต่อ บ, บาปพ่อสมควรสะดุ้งกลัวต่อ บ, บาปผอสมควรแต่ถ้านอกวไไิสัยขึ้นมาเนี่ยเกินวิสัยที่จะแก้ไขเนี่ยอย่าลืมว่าพระคือชาวบ้านนะพระคือพลเมืองของแผ่นดิน มันก็ขอรักขาทางบ้านเหือเขาให้ทางบ้านเหนือจัด ก, การคือนําคนของคูนออกไปจากพระศาสนาก็เท่านั้นนะนะมันมีหลักเกณฑ์เรียบร้อยอยู่แล้วพอเราทำไม่ยุ่งมันก็ยุ่งอย่างเงี้ยเวลานี้ก็มังจะร่างพระราชบัญญัติอะไรขึ้นมาอีกมากมายไปตอกว่าะในความเพียรพยายามจึงต้องถูกทางหากว่าเพิ่มคูนขึ้นมาจริงแต่ว่ามันไม่ถูกทางมันก็ไปสร้างปัญหาให้มากจริงขึ้น ด้านการเรียนจะเรื่องเหล่าเนี้ยส่วนหนึ่งนะตรงนี้ค่อนข้างเรียนยากอย่างที่บอกนะว่าเรามองคนทําชั่วคนทําดีเนี่ยเราเป็นครูได้ทั้งสองอย่างถ้าเราคิดเป็นนะแต่ว่าตามปกติแล้วไปไม่ได้พอเห็นคนชั่วเราไปซ้ําเติมเขาคือขอโดยชั้นทําชั่วด้วยเราก็ทำความดีไปริษยาเขาเอาเขาทําดีเขาได้ดีเราก็ไปริษยาเราก็คิดชั่วเราก็ได้ชั่วคือหาเรื่องให้เดือดร้อนใ้เยอะเลยในชีวิตของคนเนี่ยเรื่องไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรา แต่เราก็หาเรื่องให้เราเดือดร้อนก็เรื่องเหล่านั้นประการต่อไปอันจะมองผลสําเร็จหมายความว่าท่านอยู่ดีมีสุขของท่านแล้วท่านประสบความทุกความเดือดร้อนของท่านก็แล้วแต่แนวเนี้ยแนวที่เราเรียนเรื่องอะไรถ้าโลกก็คือเช่นว่าคนเขาอยู่ตั้งตัวเป็นหลักปัญฐานมีฐานามันคงแล้วก็เป็นบทเรียนได้ระดับนีนอีกกรุ่มหนึ่งนั้นคือประสบโทษความผิดจนสารตัดสินลงโทษจิตคุก ทหารชีวิตอะไรแต่ไหนที่จริงมันก็เป็นครูได้อย่างหนึ่งมันเป็นการพิสูจน์ยืนยันในกระบวนการของกรรมว่ากรรมที่บุคคลกระทําเอาไว้นั่นเองจะจําแนกแบ่งแยกไห้คนเป็นคนเลวเป็นคนประนีเป็ความสุขมีความทุกข์แตกต่างกันเพราะนั้นถ้าเราต้องการความสุขที่ยั่งยืนเราก็ปฏิบัติไปตามท่านที่ประสบความสุขอันยั่งยืนในฐานะอะไรล่ะ สุกแบบมนุษย์สุขแบบสวรรค์สุกแบบพรหมก็ว่ากันไปก็ท่านพระเจ้าก็แสดงทางดําเนินไปสู่ไปสู่สถานที่เหล่านั้นไปสู่สถานะเหล่านั้นไปแล้วแต่ตรงนี้มันก็ทวนกระแสอีกอะส่วนกระแสเพราะว่าผลสําเร็จเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราลองสังเกตนะว่าคนบางคนประดิษฐยาคนที่รวยคนที่เก่งคนที่มีความสามารถคนที่มีความรู้ดี โดยไม่ได้มองว่านั่นมันเป็นผลนะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของเขาแล้วเขาก็ประสบความสาเร็จอย่างนั้นในแวดบงที่มีการประท้วงมีการเรียกร้องมีการริษยาจนมีการพูด ก, กันคราวหนึ่งนานมาแล้วนะครับน่าตกใจนะจะเอาคนรวยไปฆ่าเดือนละฆ0าร้อยคนหลายปีไลครับเป็นพวกปฏิวัติพวกรัฐประหารนะเขาพู เท่าคนขนาดนั้นไปฆ่าเนี่ยประเทศชาติก็พังแล้วคือมือเศรษฐกิจชั้นององนี่มันมีไม่เท่าไหร่นะฮะบ้านเมืองเนี่ยแล้วถ้าเราไปเหมาเขาว่าเป็นคนชุบเป็นคนโกหกเป็นคนทุจริตไปหมดนั่นก็ไม่ถูกเพราะถ้าก็ทุจริตหมดบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้มันทำไม่มีปัญหาในการมอง แล้วก็ทําให้มันเส้นทางที่จะดําเนินไปมันเบี่ยงเบนเออกไปนอกลู่นอกทางพระพุทธเจ้าจึงแสดงพวกอะไรไว้ที่บรรลุมนุสสมบัสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติที่จริงก็เป็นแบบเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวกระตุ้นให้เราพยายามที่จะเอาอย่างท่านที่เรียกว่าให้เดินไปตามบนทางที่ท่านเคยเดินแล้วท่านต้องการผลระดับใดก็พยายามก้าวเดินไป แต่ในขณะเดียวกันคนที่ประสบความทุกข์รุนแรงแล้วค่อนข้างงานไม่จะตาวอนะฮะในโลกมนุษย์ก็คือติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าตกประหารชีวิตในโลกหน้าก็คือพวกนรกพวกอสุรกายพวกเปรตพวกเดรัจฉานก็อาจจะเป็นเดรัจฉานซ้ำซากอาจจะเป็นเปรตซ้ำซากอาจจะตกนรกซ้ำซาก แล้วจะเป็นอสุรกายซ้ำซากแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็พลนไปตามกระแสของกรรมเราก็มองเห็นโทษโงมั้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราคืนก้าวเดินไปเนี่ยมันก็จะสบไปประสบอันตรายเช่นเดียวกันเราก็ไม่เอาบากคไม่เป็นความสำนึกหลับจำของคนเ่านั้นเองอย่างที่ ทั้งแสดงไว้ในพระบาลีนะพูดถึงพระเจ้าเปรตเสมนีโกศลท่านได้ยินคาถาเปรตทุกระนัโสสามคำแล้วก็เลือนหายไปก็ตื่นสนกตกใจจนยุ่งไปหมดเลยในที่สุดก็พระนางมาริกาเทวีก็นำไปฟาพระพุทธเจ้าราบรูนถามว่ามันเป็นเสียงของอะไรปุจ้ารับสั่งว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมามบพิตรเป็นเสียงของเปรตเป็นเสียงของสัตว์นรกนะฮะที่จริงเป็นสัตว์นรก มาจากโลหะกลุ่มพีนรกมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็พบกันประเฮนหน้ากันก็ต้องการจะทักทายต้องการจะกระตุ้นเตือนสำนึกกันแต่ว่าทำไม่ทันมันก็หมุนกลับไปก่อนเลยได้คนละคำพระเจ้ารับสั่งเล่าว่าคนไม่ใช่สัตว์นรกสี่ตนนี่นะในชาติก่อนเป็นลูกของมหาเศรษฐีร่ำรวยมากรับกองมรดกไว้มหาศาลมาก แล้วก็มั่วสุมกันอยู่ในทางเพศสุรานารีภาชีกิลาบัตเนี่ยนะรโดยเฉพาะอย่างยิ่งลู ก, ลกเขาเมียใครแกไม่สนใจถ้าแกชอบแกส่งเงินไปเลยไปซื้อตัวมาแล้วแสวงหาความสุขจากผู้หญิงเหล่านั้นก็ทำมานานแล้วตายไปก็ตกนรกเลยนะตกนรกก็เรียกโลหะกุมพีนรกอะไ้อย่างมุนวนดูนานแล้วก็ตรู้สึกสำนึกผิดนะ ก็ต้องการจะพูดถึงว่าในคราวนั้นนะ่ะพวกเราก็ทำบาปทำกรรมชู้ไวมากลแล้วเกินแลเมื่อไรก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ตรงนี้ก็ไม่รู้แหละแต่หลุดพ้นได้วันไหนเนี่ยเราก็จะกลับเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะอยู่ในศีลในธรรมจใจทานจะรักษาศีลเลิกแล้วไอ้สิ่งตเ น, นี้ยอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่ามันเกิดสํานึกึ้นตัวเอง คือไปสัมผัสทุกที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเองแล้วเราก็เกิดมดเวรเพราะแนวตรงนี้แนวที่จะให้ละชั่วประพฤติดีแนวแนวภาวนาพุทธเงาวาแนวภาวนาแนวที่จะเพิ่มพูนความดีให้ที่ยังไม่มีมีขึ้นที่ยังไม่เป็นเป็นขึ้นนี่มันต้องอาศัยความยินดีในธรรมะพอใจชอบใจธรรมะ แล้วไม่รู้สึกว่าธรรมะเป็นของเฉยเป็นของล่าสมัยเป็นไดโนเสาร์ต่อานาทีอย่างที่คนพูดกันแต่เราก็ให้ความสาคัญแก่ธรรมะแล้วเมื่อมาเริ่มต้นถูกเด็กต่อไปมันเดินไปได้เองอยังนแนวที่สรงแสดงในมงคลิสูตรต้องลองสังเกตในมงคณิตสูตรเนี่ยถ้าเขาเริ่มที่คบผ่านเนี่ยมงคลทั้งหลายมันก็ล้มละลายหมดแต่พอดีเขาเริ่มที่คบผาบันดต พระนั้นพระเจ้าก็ทรงแสดงถึงลักษณะของมงคลเอาไว้ เ, เสวนาจะบาลานางังปัณดิตานันจะเสวนาการไม่ก็ผ่านการขบบันดิตการบูชาผู้ควรบูชานะเป็นอุดมมงคลรเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ตัวคนแต่ว่าใช้การแต่ไม่ความว่าการกระทําของเราเองจะดึงปัญหาหรือว่าจะหนีปัญหาล่ะ ในโลกมันมีคนผ่านอยู่แล้วมันมีบัณฑิตอยู่แล้วมีท่านบุคูลมบูชาอยู่แล้วมีประเทศที่สมควรอยู่แล้วปัญหาว่าเราเลือกเราเลือก อ, อะไรเราพอใจผ่านนะพอใจบัณฑิตแต่พอใจบัณฑิตมงคลทั้งหมดมก็เดินไปได้เพราอาศัยการคบผ่านสมัครปัณฑิตนั้นต้องโครงสร้างที่สงสเดางโยกย่องกาลยานามิตรนะครับากาลยานามิตรนั้นก็เรียกว่าเป็นทั้งหมดของพระมหากษัตรย์ โดยการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติชอบเราเข้าหาสมาคมกับบัณฑิตเราอยู่ในสำนักบัณฑิตเราพอใจในธรรมของบัณฑิตก็ศึกษาปฏิบัติไปตามหลักที่บัณฑิตท่านสั่งสอนไว้หรือว่าอย่างที่ในปราชพระวะสุซึ่งตรงกันข้าวมงคลละสูตรน่ว่าด้วยทางเสื่อมเทวดาในมากราบภุนถามพรจจะพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนจะเสื่อมหรือจะ จะเจริญพุทธเจา้าบอกคนจะเสริมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายผู้ใดใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ใดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเหตุ่งความเสื่อมความเจริญเนี่ยมันอยู่ที่ใคร่ธรรมหรืออยู่ที่ชังธรรมถ้าเราเริ่มที่พอใจในธรรมะมันก็ไปไดนะ้แต่ถ้าเรารงเกียรธรรมะมันก็ไปไม่ได้แล้วก็ไม่จําเป็นเราเป็นใครเราอยู่ที่ไหนอย่างที่บอกไว้ในเนคขมะบารมีเนี่ย แต่เจนว่าบางครั้งเนี่ยมันอยู่ประเภทที่เรียกว่าใกล้ือกินด่างหรือทัพีตัดแกงอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลแม้จะเกาะชายจีวรของพระองค์เดินไปตลอดเป็นร้อยปีนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบยิ่งไม่ปฏิบัติตามธรรมแล้วก็จะไม่ได้รับผลอะไรมันเหมือนกับทัพพีที่ตัดแกง ชุมแช่อยู่ในแกงนั่นแหละแต่ไม่รู้รสชาติของแกงเพราะธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นมันก็นําเสนอนะี่ได้ผู้นําเสนอก็นําเสนอไปได้หรือเราอ่านได้เวลาเนี่ยเอกสารที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับธรรมะเยอะแต่ว่าคนสนใจฟังเนี่ยมายัางติดตามฟังรายการธรรมะร่วมสมัยของอสมทของสิดเก่าจุฬามาจุฬาเขา เราฟังไปแล้วปรากฏว่าคนที่ร่วมพูดทุกคืนเนี่ยมันซ้ํานานๆจะมีคนใหม่เกิดขึ้นแต่คนก็ซ้ําก็แสดงว่ากลุ่มเนี่ยมันคนฟังมีเท่าไหร่เราก็ไม่รู้รายการนี้ก็มีลักษณะยอย่างนี้คือเราไม่รู้ว่าเขามีคนฟังหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องทํางานแต่นั่นเองก็หน้าที่ของเราก็ได้ทําแล้วเราก็เสนอไปแล้ว คนฟังก็จะฟังหรือไม่ฟังไปแล้วก็จะปฏิบัติหรือไม่ก็ไม่รู้สิไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปรับผิดชอบไกลขนาดนั้นเพราะงานก็งศาสนามันก็เป็นงานรัศลาอย่างเงี้ยแต่เห็นว่าพูะเจ้าถ้าเรียงถ้าเรียงเรียงพพนะฮะไปจนมันมีถึงสามสิบเอ็ดหมายความว่าคนเกิดไปได้เรื่รอยโดยแรงกรรมแล้วก็มีตัวอย่างให้ให้ดูทั้งหมด ทีนี้ความ ด, วดีในธรรมธรรมะไม่คนในการกระทําการพูดของคนหรือว่าในองค์ธรรมหรือว่าในสิ่งที่เราสัมผัสก็แล้วแต่เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือได้ทั้งหมดเพราะวาภาวนาเนี่ยมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นเราจับตรงไหนก่อนก็ได้นะแล้วว่าธรรมะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นนั่นคือกฎของเขาสมมติว่าเราเริ่มที่ความรักแม่ แสดงว่าความรักมันจะไหลแผ่คลุมไปถึงคนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับแม่อย่าติวงพงศาทั้งระดับกลางระดับบนระดับล่างระดับเสมอกันตลอรถึงท้องถิ่นของแม่เรียกเรียกก็ามาทุกพมงคนในท้องถิ่นนั้นก็ถือว่าบ้านแม่เดี๋ยวสมมติว่าเราเกิดในกรุงเทพแม่เราอยู่เชียงใหม่พอเราอยู่นราธิวาสตรงนะั้นแต่กันไหน แล้วก็รักคนเชียงใหม่รักคนในราชวาัฒนบ้านพอ่อบ้านแม่ของเราอันนี้มันกระจายกังมันเองถามว่อะไรมันเริ่มจากกุศลธรรมหรือความรักทีนี้ถ้ารักเรานะมันลึกซึ้งจนถึงไปกระตันดูกต็กต่อไปถึงกระตัญดูถึงตาถึงยายถึงบรนไปชนไปถึงท้องจีนนเมืองของแม่ไปทําอะไ ร, ะไรเป็นอนุสรณ์เอาไว้เป็นที่ระลึกถึงแม่อะไรแต่ไหนเนี่ยว่าปลายหายไปเลยนั่นไอ้กุศลก็อเริ่ม ก็เรียกว่ากุศลในฉันทาคือยินดีในกุศลนนได้ที่พระเจ้าทรงใช้กรรมธรรมกามะคือใครในธรรมยินดีในธรรมแล้วกระบวนการนอกนั้นมันจะเกิดขึ้นเองโดยแรงผลักดันเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรามองว่าจริงๆมันไม่ได้เริ่มต้นมากมันก็เหมือนการปลูกพืชอะไม่ได้เริ่มต้นมากอะไรแต่ในกระบวนการเนี้ยต่อไปถึงจุดหนึ่งมันจะก้าวหน้าไปไเรื่อยๆแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาไปไเรื่อย ภาวนาจึงเน้นมากนะภาวนาเนี่ยจึงเน้นมากเพราะอะไรเพราะว่ากุศลธรรมมันมักถดถอยหรือเสื่อมได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ในแวดบุงสึ่งแวดล้อมที่มันกระตุ้นกิเลสมากกระตุต้นอารมณ์กระตุ้นความคิดรุนแรงนี่มาเพราะงั้าตูมุมด้านทานในด้านจิตใจของเราไม่เข้มแข็งมากพอในสุดกุศลธรรมก็เสื่อม จะนสมมติเราเมตตากับคนคนหนึ่งยเรินเมตตามาเยอะแล้วนะแม่แต่แกก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก้าวร้าวก็เท่านั้นรุนแรงก็เท่านั้นหยาบคายก็เท่านั้นว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็ไม่ยอมฟังกันมันอาจจะอดทนมันอาจจะอภัยมันอาจจะทําอะไรได้ระยะหนึ่งแต่มันก็เสื่อมนะความรู้สึกไม่ดีมันก็เกาะตัวขึ้นมาได้เลยความรู้สึกดีมันก็ลดลงแล้วสุดท้ายก็ชักกันเยื่อกันชักกันเยื่อกันทั้งจุดหนึ่งเนี่ยความรู้สึกไม่ดีอาจจะมากกว่าและวในสุดมันก็แตกหักกัน ตันถ้าเราทำมาเรื่อยๆ เ, เนี่ยเพิ่มพูดเรื่อยๆทรงสอนว่าอบรมกระทำให้มากกระทำบ่อยๆกระทำจนเป็นยานเป็นเครื่องอาศัยของจิตใจที่นำจิตใจเราให้ก้าวเดินไปสู่ผลสูงสุดตามที่เราต้องการนี่ประการหนึ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่สึกเนื่องแต่ก็หมายความว่าอาศัยการกระทำนั่นแหละ มันความดีที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นเพิ่มๆมาอีกขึ้นเราก็สัมผัส ผ, สผลของความดีเหล่านั้นเราสัมผัสผลวความดีเหล่านั้นก็พยายามที่จะรักษาความดีเหล่านั้นเอาไว้เช่นพวกจารีตแบบแผงกนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งดีงามทั้งหลายเนี่ยมันพิสูจน์ตัวเป็นเอกมาตลอดว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต้องเป็นอย่างเนี้ยก็พยายามที่รักษาตรงนั้นเอาไว้ ในขณะเดียวกันอาการเพิมก็เพิ่มต่อไปการรักษาการรักษาต่อไปปริมาณความนี้ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ลดละความชั่วให้ลงไปเรื่อยเหมือนไปทำงานความเย็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปริมาณความร้อนก็ลดลงไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเหมือนก็กลายาเป็นความเย็นในสถานที่ตรง น, นั้นแต่แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องที่ผุ้งผานโครมครามนะจะไปได้ทันทีทันใดแต่ว่าเป็นเรื่องก็ค่อยเป็นค่อยๆไป เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามจนกว่าจะบรรลุผลตามที่ตนต้องการแต่ามไม่ทอดทิ้งความพยายามแล้วเนี่ยผลก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าความทุกทุกระดับขั้นตอนของชีวิตจะแก้ไขได้ก็ด้วยความเพียรพยายามอย่างที่เราคุ้นๆกับคำว่าวิเดเยนะดุกมัตเจติควร่วมทุกได้ด้วยความเพียร น, นั่นเองั้งฟังท่าไหร แรลบพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงดงามไปบูรณนธรรมจุมีแด้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกนันสวัสดี